เทศบรมพระวันที่22กันยายน2521ายด้านบีนี้เทศนิ่มพูดธรรมเข้มข้นไปตลอดพูดเรื่องการตายคนเดียวเหมาะกับนิสัยถ้าจำเป็นได้ตายกับหมู่คณะคณะให้ฟังเสียงบอกเช่นให้หยุดยาก็ต้องหยุดอย่าแตะต้องกายอย่าเตือนด้วยบทธรรมต่างๆในขณะนั้น ให้อยู่กันอย่างสงบก็ต้องทำตามไม่ฝ่าฝืนเพราะขณะนั้นจิตทำงานกับธรรมอย่างเต็มที่อยู่แล้วขอขมาโทษท่านอาจารย์มั่นเมื่อพิจารณาขันและจิตเข้าใจแล้วใครฟังอาจได้เป็นคติดีมากปลุกใจดีมากดูภาตดูขัง อ่าดูหนังดูเนือดูเอ็นดูกระดูกแล้ดูอันใดก็ตามจะพิจารณาอันใดก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันขอให้เป็นความถนัดแห่งการพิจารณาเถิดแล้วจะซึมทราบไปทั่วถึงกันหมดในมรนดาวิวัฒน์ที่มีของู่ภายในตันพเพร า, เาเะเับทัอกเข้าใจหนึ่งจะเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วซึมทาบไปเรื่อยๆจนตลอดทั่วถึนี่คือการพิจารณาต่างดูหนังดูตั้งแต่ผิวเข้าไป ดูเข้าไปแล้วดูออกมาดูก็ผิวหนังข้างนอกกับหนังข้างในเป็นอย่างไงผิวหนังมันนักต่างกันไหมความ อ, อาดความสกปรกต่างกันไหมล้วดูเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในร่างกายทุกส่วนมันมีอะไรอยู่ภายในทําไมจิตใจเราจริงจรงถือจริงรังกจริงชอบจริงสงนุนอมอนักหนา ไม่มีสิ่งใดที่จะรับสอนเป็นที่รับสมน์ยิ่งกว่าร่างกายของเราเป็นเพราะเหตุไรทิ้งระนั้นก็เป็นธาตุเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเหมือนกันนอกจากรางกายไปแล้วของเราไปแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันแต่ในเห็นยึดมากมายเหมือนกับยึดร่างกายซึ่งเป็นธาตุอันเดียวกันเป็นเพราะเหตุไรค้นหาอาเหตุมาไป มันเป็นดินแค่แคน้ำแค้แคลมแท้แคไปแท้แคผสมกันอนี้โดยหลักธรรมชาติของธรรมต้นธรรม น, นได้พิจารณาจนซึง้งจึงได้นามาสั่งสอนเพื่อพิจาราเข้าใจจริงๆซึ่งจริงๆหาที่ค้างเลยหละจนเป็นเรื่องกระจัดจใจว่าอ้อที่เป็นก้อนธาตุเท่านั้นเราก็เอาใส่ไปเฉยเมื่อความสำคัญของจิตที่เคยรุ่งหลวงมาเป็นเวลานาน ว่ากายเป็นเรากลายเป็นของเราวันนี้เป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อเรายึดสิ่นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรอะไรก็คลอยเป็นเราไปหมดเลยต้องแตะ้องหามต้องยึดต้อถือกันทั้งหมดเลยาะเป็นสัญญาณภาพยานของจิตประเภทนี้ที่มีพิริศภวพันมีความรักความเป็นหนุนโตมาทีนี้ที่็นมาให้เยียกแยกให้หินขัดจี จะดูหนังจะแบบียกหนังออกเอาเมืเอ่อออกเอ็นออกกระดูกกอกส่วนใดก็ตามถึกที่มีอยู่ภายในร่างกายให้คิดมาให้ซึงสติตั้งครับปัญญาที่กําลังทํางานที่กําลังจ่ายจองให้ทราบว่าตนจ่ายจองตอนกําลังที่นิดพิจารณาอ ย, างงาอยู่โดยลำดับ ด, ด้วยสติเป็นผู้ควบคุมงานดูให้ดีกังวล เป็นภาคส ม, มุทรเพราะติดมันก็ติดสมมุติติดสิ่งภายนอกก็เป็นติดเป็นภาคสมมุติเราพิจารณาทางด้านปัญญาเบื้องต้นเขาเป็นสัญญาอารมณ์ไปแล้วก่อนสัญญาแท่สัญญาสัญญาความรู้คันนั้นหมายว่าเป็นสิ่งข้างหน้าลักหน้าติดนั่นเป็นสัญญาฝ่ายสมุทรไทสัญญาหรือปัญญาเป็นความมั่นหมายแยกแยะกันหรอกว่า ไม่เป็นสิ่งที่น้าแล้วถ้าเป็นสิ่งที่น่าทขบาใจเป็นสิ่งที่น่าเาบเาเื่อหน่ายนี่แยกกันออกนี้แล้วก็ ก, กลายเป็นปัญญาขึ้นมานานเท่านานเข้าก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้เมื่อปัญญาขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วมองดูอะไรมันทะลุปุ่โปรดกปหไม่มีอะไรที่จะกีดขวางปัญญาได้เลยตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้นั้นไม่ผิดนักทิ่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่ สังการก็สอนมาได้สติแจ้งในที่มืดก็ไม่สามารถเียนสอนเข้าไปถึง <c oughs> แต่ปัญญานี่ไม่ว่ามืดว่าแจ้ทะลุไปหมดการพากันพูดมานน่นปัญญาสติเอาให้ดีเดินไปมาที่ไหนการพูดกันจาให้มีสติสตาประกอบอยู่กับตัวเวลานเราจะประกอบความเพียรภาคสมาธิก็ตามภาคปัญญาก็ตาม มันถึงเป็นไปได้อย่างใจหลังและเป็นไปได้อย่างรวเดเร็วพิดกับที่เราต่อสติอยู่มากถึงเวลาจะมาทำขีค่อยปรงงะมวลสติมาได้คู่เดียวก็เพ่งไปเสียประวลเข้ามาคู่เดียวก็เพ่งไปเสียทั้งเข้ามาคู่เดียวก็เพ่งไปเสียเลยตะคุบตั้งแต่สะตะงานเลยไม่ได้ทันเพราะสะติมันวิ่งกว่าเลิง มันหมดไปหมดไปหายเงียบหาเนียเดิมด้วยเดิมด้วยเพราะการไม่สนใจรักษาสติให้มีความติดต่อกันอู่โดยตลอเป็นความเคยชินเมื่อสติมีความเคยชินแล้วบางคับงานได้จริงบางคับงานก็อยู่กับงานจริงจริงานก็เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาอืมเห็นได้อยาจจ่างชัดเจนกําหนดพิจารณา มันแตกกระจายเห็นเลยอืกําหนดถลกหนังออกมาอเชื้อเนื้ออะไรออกไปตัดเส้นตัดถึงเข้าไปดูเจ้าของกำหนดเจาะของก็ดีกําหนดรูปภายนอกก็ได้จเจอกันขนาดตัวเหลือแต่โครงกระดูกเนื้อหนังมังาสารตับไตไตปูขาดกระตูกระล า, าเต็มไปแล้วตป็ยังไงเป็นคนหมายหนัก เป็นชาติเป็นบุคคลไม่งั่นน่ะเป็นเราเป็นเขาไม่งั่นน่ะน่ะปัญญาต้องทัาบจะของด้วยน่ารักไม่นั่นน่ะเป็นของปฏิพูลหรือของไม่ปฏิพูลน่าเกลียดหรือนารักเอาดูน่ะแยกใ้ดูภายใน ม, มันก็เป็นความขรึดองนั้นเวลาไม่็ดสมมุติกระจายออกไปทําลายออกไปนี่อยู่ภายในร่างกายมันก็เป็นตัวปฏิปพูลโสโคร หรืองั้นถ้าว่าธาตุองธาตุธาตุเป็นส่วนละเอียดไปเรามันติดอย่างๆดูตรงนี้ดูตามที่สมมติวมาว่าหนังวัาเนื้อ ว, ว, ว่าเองว่ากระดูกว่าตับไตใช้ผุงอาหารเหมออาอาหารกับให้ดูตรงนี้หมดนี่ในตัวขงเรามันก็เป็นภาชนะสำหรับใส่สิ่งที่ร้อนถี่ชัดเกจนแล้วจนจิตมีความเคยชิดกําหนดดูตัวเมื่ อ, อไหร่มันก็มีแต่อย่างนั้น มีแต่ของประดุลเกินตัวออกจากนั้นแยกเป็นธาตุกำหนดไปที่ไหนก็มีแต่ธาตุเกินตัวธ า, าตุบุญธาตุน้ำธาตุลมต่างไปเมื่อมันชินเข้าไปชินเข้าไปจะดู ก, กําหนดดูเป็นอรุภาอรุทางความงดงามความประดิษฐ์ปุ่ตัวโวกมันก็ประจักษ์ใจฉะนั้นจะกําหนดไปทางธาตุว่าอันนั้นก่อธาตุอันนี้ก่อธาตุมันก็ถึงเป็นธาตุเป็นชัดเจนถะาวัขัน รูปปักษันก็คือธาตุรูปรูปปักษันก็คือธาตุดีเวทน า, า, าสัญญาสัญญสังขารอินญามันก็เป็นธาตุแต่ละอย่างนั่อย่างเช่นวิญญาธาตุอันนี้เป็นต้น่ะคื mm. อบอกไว้แล้วในปรัชนาผูกมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับของนังน้นเป็นของไม่แน่นอนคือผู้รู้นั้นอะอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ดูนั่นไม่ดับ เอาหลักใหญ่ตรงนี้ไนะเมื่อเราพิจารณาเนี่ยแยกสิ่งนี้อยู่มาอหยุดมัถอยแล้วจิตกับสิ่งนี้จะแยกกันออกโดยลำหนักลำหนันะจนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้รู้อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงเท่านันไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่เห็นมีคุณค่าอันสําคัญ พอที่จะเคลื่นทุนจนเกินเหตเกินถึงถึงกับส้างความกลมกลืเดือดร้อนให้แต่ตนเมื่อได้ทราบกันตามหลักความจริงด้วยทางปัญญาแล้วนั้นระหว่างขันก็ติดอยู่ด้วยกันอังสมบติเช่นพลัรณาน า, าตุขันรู้เท่าทันหมดจนปล่อยวางโดยจิ้งเชิงกระทั่งถึงอวิชชาซึ่งเป็นตัวการใหญ่ทั้งคันลุ้มลุงอยู่พานาจิตก็ถูกทําลายไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ต้นรุ่นแล้ว ก็อยู่ก็อยู่กันอยงนั้นอยู่อย่างสง่าผาาเผยอีกอันหนอยู่ย่างไม่อัดไม่อั้นกับสินอันใดไม่จนกรอบไม่เป็ น, อ, นอยู่แบบไม่มีอนาคตไม่มีอดีตปัจจุบันก็รู้เท่าด้วยความสง่าผ่าเผยแห่งสิทธิี่บริสเพราะฉะนั้นทติของท่านผู้สิ้นสิเล็กแล้วยิงไม่มีอันใดจะมาคาดหมายได้เลยเพราะอนาคตท่านก็ไม่มท่านไม่ไปยึด อนาคตก็เป็นการเปือฐานที่มันเป็นสมมติไงอดีตที่ผ่านมาแล้วกรุวนแน้วตั้งแต่กองสมมติปัจจุบันที่อาศัยกันอยู่เวลานี้เขาเป็นกองสมมติเนี่ยจิตการู้ตลอดทั่วถึงจะมั่นช้าจะเป็นยุติป่าเมื่อมีสิ่ในชีวิตแล้วเราพูดพรจะเข้าใจกันได้เนื่นองจากความสง่าถาเผยอยู่ภายในติตภายในตัวเองคือความรู้นความรู้ล้วน ความหนักอะไรก็หมดเองพาราฮาวิปันตักขั้นผาหนักขันห้าเมื่อการบำรุงรักษามันยังพอทำหนักไ้หนักเมื่ออุปาทานความมิดมั่นถือมันมันด้วยนี่ทล่มันหนักมากที่สุดแั้นถ้าก็จะหนักก็ให้มันหนักเฉพาะการดูแลรักษาบดพอถึงการวิปาขกันก็ปล่อยทิ้งไว้ตามสภาพอย่างสมมติทั้งหลายเทีย ส่วนที่เป็นนิมมุติก็หลุดพ้นไปเสียต่อความนับผิดชอบที่ท่านอุปการทั้งกลุ่นนั่งทำงานเป็นบร ม, มสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีความกระยินต่อธรรมที่เป็นบร ม, มสุขซึ่งจะไม่นอกเหนือไปจากใจของเราทุกทุกกฎทุกทุกองเมื่อความเพียรถึงที่แล้วเราจะไม่ถามผู้ใดปจัจจตังเวริตโบงอยูหิหนึ่ง สันทิฏฐิโกนจะพึงเกิดขึ้นปรากฏขึ้นตะจักกับผู้ปฏิบัติธรรมตามขั้นนั้นๆและขั้นทร ม, มันสมบูรแล้วโดยไม่ต้องปูนแข็นี่เป็นหลักครับกมขอให้พามุณตัวหนักในความทักเพียรขึ้นมาต้องการแต่ผลความทักเพียรขึ้นเป็นเหตุที่จะให้ถึงผล ยอดหยมนันเป็ี่ยนกันไม่ได้ร้านความภักเกียนจริงเป็นของสาคัญเราราักผลกับรัหตุให้เท่ากันเราต้องการผลคือสิ่งที่พึงหวังนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องการทำเสร็จให้เต็นถูกถึงจะบรรลุถึงผลอันสมบูรได้กันตั้งต่จริงที่เจะ จะไปสนใจกับย่ำเวลากับโลกสัมพันธ์อันใดโลกนี้มีมีทางที่เห็นและหมูเมื่อเกินอันนี้ไปหน้าเลยอตาพอตื่นขึ้นมาตาก็เห็นหูได้ยินเครื่องสัมผัสต่า ง, างๆก็มาสัมผัสตัวเราตลอดเวลาแล้วอันใดที่มาสัมผัสสัมพันธ์นี่เขียนผิดว่าเรื่องสัมผัส เรื่องนี้ตั้งแต่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วได้อะไรมาเป็นสาระแก่นสารบ้างพอเราจะเสียดายความคิดความปรุงกับสื่อทั้งหลายเหล่านี้แหละมันมีแต่เรื่องผ่านไปผ่านไเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ขาดทุนและเพื่อตัดกังวลกับสิ่งนี้จึงให้พิจรารณาความคิดความปรุงของจิตถึงเวลาจะดูจิตให้ใหดูมันตรุงเรื่องอะไรอะไรสรัมผัสจิตกับเรื่องขึ้นมา มันรู้ได้ทันรู้กระทับกระทบตาทั้มผัดเข้ถึงจิตกระเทือนถึงจิตรับรู้เสียงยรับฟูงถึงจิตอะไรรับรู้ถึงจิตพอจิตกระเพื่อมพอรู้เท่าทันรู้เท่าทันสิ่งนั้นเขาไม่เป็นภาคไม่เป็นอารมณ์อารมณ์หลอกหลอนกันได้เพราะถ้าติดถัดสังขาตรตึงขึ้นจะให้เป็นภาคนั้นภานี้มันก็ไม่ไมตึงขึ้นไม่ทันเนี้ยพอแยกขึ้นมาถ้าติดทันมันก็ดับเสียปัญญาทันขาดไปเลยขาดไปเลย ท่า น, นท่านดูด้วยอย่างนั้นพยายามก่อนสิ่งเหล่านี้จะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้จะไม่นอกเหนือไปจากกติปัญญาศรัทธาของเพืนน่อนของเราที่ได้มีอย่างเป็นผิดเต็มใจแต่เพึ่งได้ชมสมบัติมันมีคุณค่าดโดยลำดับจนกระทั่งถึงมห า, มาสมบัติหรือนับผลุพานุพาในติตใจของเรามาอยู่ที่อื่นยากา้าดยาไม้ให้ผิดจากหลักความจริงที่พระเจ้าทรงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่สอน สัจธรรมอยู่ที่ใดนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานดิคาถาจริงๆตามที่เคยแสดงให้ฟังแล้วสัจธรรมก็คือทุกข์กับสมุทัยนี่เป็นเครื่องติดเบีงมรกคผลนิพพานมรรคคือข้อปฏิบัติมีสิมาที่ตัณหเป็นต้องเป็นเครื่องกำจัดปัดเ่าลุบบุกเบิดสมุทัยที่เป็นสิ่งทุรกรุงลังนี่ให้ออกไปได้โดยระดับต่างๆก็เปิดโล่งตัาง ไม่มีอะไรเหลือนี่ก็คือความดับที่นไม่ต้องบอกมันเป็นผลของมรดที่ทํางานขึ้นมันเป็นคู่เทียงกันเช่นเดียวกับรับทานกับความอื่มนี่แหละการรับทาับความอื่นเพราอื่นไปโดยลําดับนลำนัะรับทานเดิมดับอิมเดิมนับทุกคือเกิดจากความหิวกพระดับประเดิมลนนับเช่นเดียวกันไม่มีอะไร ยัางผลนั่นนั่นทเกิดขึ้นโดยหลักธรรมาชาติของตัวเองไม่ผลใดๆก็ตามไม่เกิดขึ้นจากการทาาการหมายให้ภาคจำไว้ให้ถึงใจจริงได้ที่เราเคยเป็นมาแล้วเราเป็นครูสอนเราเอานำมาอสอนมือด้วยไม่ให้ยูดอารมณ์ของตัวเองผลงตัวเองที่เกิดขึ้นเช่นวันนี้พุทัิ น, นาน เชืสว่างกันหมดภายในสร้างการงสรรงสัยจิตเปความสงบแน่แน่และเอียดละออเ น, นี่เป็นต้นวันนี้นี่วาระต่อไปเราจะาเอานี้เป็นอารมณ์ไม่ได้เอาได้ตั้งแต่ปฏิปทาเครื่องพิจารณานั่นคือเหตเราเป็นอย่างนี้เพราะพิพจารมาอย่างไรให้จับต้นเหตุมันไว้แต่จะมายึดผลต้นเหตุ น, น, นั่น ถ้ามันเป็นปัญญาลมหรือมันก็ไม่เหมาะที่จะึ่งไปเรียกวิปัญญาเป็นของสําคัญมากนะคือมันเกิดขึ้นมาเองแม้จะเหมือนเก่าก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาในหลับปจจุบันยรวนแล้วมันคืเป็นของใหม่ขึญญ้นมาถ้าเกิดขึ้นมาด้วยความคาดคิดว่าเราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนู้นแล้วจะไพิจารณาอย่างนั้นนั้นมันคือพ้นไปจากการคาดผลอีกในขณะเดียวกันไม่ได้เหมือนกัน ควาปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันที่พิจารณามันจะเหมือนเก่าหรือไม่เหมือนก็ถือลำับงปัจจุบันไปอยู่างนั้นไม่เป็นไรค่อย้คืบไ ป, เ, ปเรื่อยๆเลยนี่จะเคยพิจารณาเช่นอย่าเวลาเอาเป็นเอาตายเอากันตีกินจังนี่คือว่านั่งตลอดดุ่มพราะความเพียร น, นั่งตลอดรุ่มนี้ต้องหนักมากเสียอีกน้ำมเอง ไม่เคยเห็นทุกไดก้หยดถึงขนะหนั้นแต่นั้นก็ผ่างไดได้อย่างน่าประจันด้วยอำนาจของสติปัญญามันหมุนที่อยู่ที่ไม่ยอมออกเลยทุกมากเท่าไรยิ่งหมุนลงไปที่ทุกทุกมันมีมากเท่าไรสติปัญญามันไม่ ม, มันไม่นอนใจนอนไม่ได้นี่อ้านิ่งอยากให้ทุกเวทนาหายเท่าไรยิ่งเพิ่มหนักสมูไทยจะอยากให้หายไม่ได้ อาหารในอาหาก็ตามขอรู้ตามความถี่ของมันนี่เป็นหลักสําคัญของพวกที่เกิมาดมากเยี่ยมเยีกันหน่อยไมหยุดไม่ถอยดูเวทนาจ้องดูเวทนาตั้งนี้ชัดเจนนะจ้องดูในสิ่งที่เวทนาเขาจะพลาดผิดเช่นเอ็นมั่งเจ็บเป็ น, ท, น, ท, นที่ตรงไหนมั่งมากๆกระดูกที่ตรงไหนมั่งเช่นเหมือนกระดูกก็แตก น, นี้เป็นต้นนะ แล้วเอากระดูกมาเทียบขกวิธานาดูมันเหมือนกั น, น, นยแยกแยะแยกแยะโยกย้อนไปมาอยู่พิธีงานจนเอาเทียบเทียมกัได้ทุกสัดทุกส่วนนี่วิธานามก็จริงทุกวินาโอ้มันตัดแต่ทุกวิธานามันไม่มีความหมายตัวของมันเลยเนี่ยมันดุขันธ์มันมั น, ม น, มนก็เหมือน ก, กับไฟมันจะส่งเกยขึ้นขึ้นจบไาก็ตาม ไฟนั้นไม่มไม่ทราบความหมายเลยว่ะร้อนหรือเย็นนะเขาฟืนที่ขูกไฟไหม้นะมันก็ไม่ทราบความหมายมันทั้งๆที่มันขูกดไฟไหม้ขึ้นไม้ไผ่เสียงแปกปึ้งตั้งปึ้งตั้งปึ้งตั้งเหมือนมันก็มีอย่างอันแล้วไอ้ไฟเอ้เชื้อไฟนะ น, นั่เป็นฟืนต้นนมันก็มีความ ห, าหมายตัวใหม่เ นี่เหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายของเราทุกส่วนมันเป็นความจริงมันอยูธรรมดาทุกเวทนาเกิดขึ้นในช่องใดเนี่ยใดก็เป็นความจริงตัวนี้ธนรมดเป็นแสดง ว, ว่าจิตเป็นต้องพันนั่มายนเป็นหลักใหญ่มากดา เ, มเดียวเมื่อแยกเยะให้จิตเห็นชัดเจนตามความจริงเนี่ยจิตก็ถอยตัวเข้ามาทุกเวถนาก็จริงตามทุกเวทนา กายก็จริงตางกายทุกสว่วนจิตก็จริงตามจิตเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วหนึ่งเวทนาลุนดับไปอย่างหายห่วงสองแม้เวทน า, าไม่ดับก็ยิ้มได้อย่างสบายอยู่ในท่ามกลางกาองทุกข์หนึ่งแต่จิตไม่ได้เป็นทุกข์คือกองทุกข์คำว่ากองทุกข์ก็เป็นทุกขององกังเยายยจังแบบนคือเป็นความจริงล้วนๆกายก็เป็นความจริงล้วน จิตก็เป็นความจิงร่วร้วนเมื่อต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกรองแล้วไม่กระทุกเป็นสองอยา่างขน า, าดเราที่เคยพิจารณานพระฉนั้นทุกข้าถามต่อความร่วมความตายในขนาดที่จะตายทีู้คุยเทนาต้องโถล่กันมาอย่างเป็นที่ขนาดที่วัดทนไม่ได้ต้องตายนั้นจะเป็นเทนาขนาดไหนก็เถอะถ้าลงเลิศที่เป็นนาเห็ น, นตั้งแต่ต้นรู้ตั้งแต่ต้นแล้วก็คือจะนาเป็นสัจธรรมอันเดียวกัน เมื่มีพิจาราหน้าไหนจะมาหลอกเราได้ให้เผลอเนื้อเผลอตัวแล้วสัมประสยัยให้เดือดร้อนเสียใจได้หรกเพราะพิจาาเป็นของจริง้ะจิตก็เคพิจารณาด้วยปัญญาจนถึงความจริงแย่ด้วยกันทุกส่วนขางหน้ากายก็ทราบแลย่เป็นความจริงต่างอันต่างจริงแต่ก็แต่แต่จากส่ินผสมของธาตุเท่านั้นหมันทราบได้ดังนั้นนี่เวลาเก็บค่าวและปุวยไม่จะหลกระดาษได้จิตไม่ถ่ายทะยุ่ง เราไม่เชื่อถึงใดไม่แน่ใจกับถึงใดยิ่งกว่าความแน่ใจในตัวงเราซึ่งเป็นหลักฐานมั่นคงอย่างชัดเจนภานใจเราพูดยังเต็มปากของเราเป็นน้ำยังได้เคยพูดพกับผมกวนเสมอหากว่าเป็นกรมรมำวิาของเราแล้วเวลาจะตายแเ้วเราโดดเข้าคูเขาหลูกไหนหรือท่ำใดเนือ้อผาใด มีหัวทุกเข้าในต้นไม้ล้มใดโดยลําพังคนเดียวของเราท่านั้นเราเหมาะสมที่สุดสะดวกสบายที่สุดไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดขณาดดิบหนึ่งที่จะเคลื่ไปมากเผื่อเัาเรื่องโรกโรครสานี้แน่ใจว่าไม่นั่นจะหมุนอยู่กับความจริงะดูความจริงเล้วนดูอย่างสะดวกสบายดูอย่างสะอาดสาเผยไม่ได้ดูด้วยความเสีอกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงวยกันอยู่แล้วโดยตบูรจะเอะไรมาเสียใจ เมื่อเาสุดท้ายก็ตล่อยเอาอมันนั่นแล้วก็ต่อยต า, ามสภาพขหม่หายห่วไจะถืออันะ ท, ที่สองจำเป็นไม่อยู่ก็หมุกับเพื่อนเนะับสุดที่ใ ส, สยแล้วอาอยานี่หมดความหมายแล้วอย า, อ า, านะกออกมาดิ่งนะก็อย่ามาดุเป็นขั้นที่สองทงหมดความหมายร่างกายับยาเข้าของเรอยเลยก็หยุด กไม่ต้องกินไม่ต้างอะไรทั้งนั้นต่อแล้วทางภาสา ม, สา ม, มเหมือนจนกอบก็จริงจริงจนตัวแล้วจริงๆห้ามไม่ใหส่งเสียงอดไไม่ให้มาแตะต้องกระทั่งร่างกายในต่างองค์กันนั่งเงียบท่างหร่พิจารณาถ้าจะตรงธรรมสังเวช ก, ก็ตรงเสียเรื่องนี้สั่งทุกขมัน่นตาเมยอยู่ทุกผู้ทุกนานทั้งผู้ที่กําลังจะตายทั้งที่ผูนไม่เป็นอะไร ออก็คืเรื่องอันเดียวกันมันมีวิธีการเป็นไปดัปงวาระมันจะมาถึงเมื่อไหร่ทั้งนั้นอยู่ด้วยความสงบไม่มาแต่ต้อมกลายคนใดคนหนึ่งอีกสามวาระมีอันหนึ่งยาได้เตือนว่าให้ะระลึกสิง่งนั้นให้ระลึกเรื่ ง, งพุโทโธธรรมโมสังโ็นต้นเราไมไ่ประมาททำแต่ไม่ เ, เอาเลือกมายุ่งกับใจเราซึ่งเวลานั้นกําลังทํางานเกี่ยวกับธรรมอย่างเต็มที่แล้วไะ มือถึงวันลาแล้วผ่านเป็นที่สุดสบายนี่เราเรียนความจริงให้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไม่กะทกสะทั่นอะไรเลยเป็นกับตายก็เท่าเดิมอย่างนี้เปลีกิดต่างกันเป็นก็คือถ้าอุกรธาตุมันอยู่ด้วยกันกับผู้ผูู้ทำนั้ถ้าก็คือก้อนธาตุมันจะหลายาสี่สี่ธาตุเดิมของเขาจิตนี่กระขอนตัว อ, อขอึ้นมา จริงๆในขั้นดใดภูมินายก็ไปตามขั้นตามภูมิของตนที่ทำลายแล้วโดยไม่ต้องสงสัยรู้อยู่กับใจวันแน่ใจจะต้องไปขั้นใดขั้นห น, นึ่งถ้ามันจิตสิมุดพระนิพพานแล้วความแน่ใจว่าหมดเรื่องสิผ่นนอนอางการพิจารณาเรื่องธานิขันในเวลาจะตายไม่ใช่พิจารณาเพื่อชํานะสามสิตใจที่มีความรุ่งเรืองนะมันหากเป็นตามบทเรียนใสเราแน่ใจว่า บรรดาพระคุาศพทั้งหลายท่านเป็นปฏิยาแต่ ท, ท่านที่จะต้องพิจารณาตามความจริงในระหว่างขันธกิจที่มันจะจากกายคือขัามตับสั้มทำกับความรู้นั่นคือความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจกเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความบริสุทธ์ล้วนๆอยู่ตลอดเวลาอากาศดโกวรท่านไม่มีทางไปอื่นพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าทางเขาหนึ่งตามปฏิยาแต่ของพระองค์สองเป็นถึงข่านสัจดา ต้องวางลวดลายว่าจะเต็มภูมิกับแสดงในวาระสุดท้ายนั่แล้วบรรดาสาวลกหลายท่านท่านทานตามตามปัญญาใส่ทั้งท่านเห็นดังที่ท่านจังมั่นท่านพูดแล้วเรามาเขียนไอ้ครับนะบางองค์ท่านเดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์นอนนิพพานทําไม่ท่านไม่เป็นนั่นท่านทานตามปัญญาใส่ทั้งท่านเพราะเห็นใจพระเวทนาทั้งหลาย แม้ถึงขั้นขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตของท่านที่เป็นวิสุทธิจิตนั้นให้อยู่ใต้อํานาจแห่งสมมุตินี้ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงทาตามความพึงปสบค์งท่านตามอัธยษฐานของท่านไมอยากจริงไม่จริแล้วก็ผ่านไปอย่างสบายห่างการเรียนธรรมะให้มันถึงไคอย่างนั้นเลยนี่าตั้งจะทํา่าในรของคนหลอกตนเองเรื่อยๆอธิบายความจริงนีอยู่ สติปัญญาไม่อยู่สัทธาความเพียรไม่อยู่ของจริงที่จะพิจารณาเป้าหมายของการพิจารณาเพื่อทราบความจริงมีอยู่ในการเวทนาในจิตในธรรมในทุกสมัยทีรอดมากนี่เป็นฐานที่รับสติปัญญาให้กลมกล้าถึงกับรู้ความจริงนี่มาโดยลำดับจนกระทั่งรู้ความจริงสุดส่วนก็อยู่ที่นไม่อยู่ที่ไหนอย่าคาดอย่าหมายาปที่ไหนนะนักปฏิบัติเอาให้เห็นที่ตรงนี้ เขาพี่เจ้ารู้ที่ตรงนี้พิจารณาที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้สาหัหายทั้งหมดปฏิบัติตรนี้รู้ที่ตรงนี้รู้ตรงนี้แล้วหายห่วงหมดโลคือถูรู้แจ้งโลกโลกคืออะไรโลกก็คือโลกแข่งขันนี่เองนอจิตนี้ที่เหลือที่อยู่ก็จิตก็เป็นโลกเป็นโลกตามขั้นของโลกตามขั้นของธรรมเมื่อหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตแล้วนั่นละหมดแล้วโลกโลกเรื่องสมมติหมดโดยการทั้งปุด ฉันนดูกับสมุดปิจนาต่างๆด้วยน่นี้ต้องเดิน็นวามงงนั่งสมาธิธาวนาเพื่อเป็นมิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายระหว่าง 1, ทันธิดที่ครองตัวอยู่ไปท่านท่านไม่มีอะไรที่จะถอดถอนที่เลืตัวนั้นตัวนี้เหมือนแต่ก่อนมาปิจนานไม่ผิดกั น, นเป็ น, นปวิหารธรราเลยเราไปต้องสายท่านจะ น, นั่แต่ก่อนเราเป็นเล้งย้อนไปกาท่านเข้าเน็เลยนขณะที่ท่านกับ มอยู่บ้านผูกยังไม่ได้ไปสกุลบางทีมีลักษณะเหมือนเหมือนจักร้ารอี้ยก็ทําเองอ่านิ่านอาจารย์ท่านจะมุ่งเกิดบ้างไม่ดึกนิดหนึ่งนะไม่ได้ขึ้นมากนิดแต่มันจำได้มันไม่อยู่ท่านบางทีเป็นลักษณะเหมืจักการี้แย่แต่นิดนิดเท่านั้นพอพอให้เราจับออกมาที่จานไม่ได้มากมาย เวลาที่นาไปทีนาไปพอไปเข้าใจข น, นโอ้ตายอตายไปกราบ ท, ท่านัง ท, ท่านไปขอพระมาทท่านอันนี้เป็นเรื่องของขันลักษณะที่มีลกะอเ อ, อบ้างมันเป็นเรื่องของขันคิดดที่ฟ ไ, ไม่ไม่ก็ไผ่นั่นเนสะียงมัน ระเบิดตั้งตั้งตั้ ง, ง, ง, ง, ง, งนั่นเป็นยังไงมันมีหวัวใจไหะหรือโยนใบไม้สดเข้าไปในไฟเนี่ยเวลามันไหม้มันงอหดบิดนู้นบิด น, นี่เหมือนมันมีนมหวัวใจแล้วมันทาก่าสมายมันไหมเรื่องของขันกับจิตเรื่องของขันกับทุกขเวทนาที่มันบีบบังคับกันนันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกขเวทนานั้นเป็นเหมือนไฟนท่าเช่นตะถคร้ท่าคือกรองรูปนี้ก็เหมือนกับฝืน เามันบิดมันบังคับนเขามันก็มีลักษณะอาการันบ้างเป็นธรรมดาจิตท่างมีมาส่วนมาเกี่ยวข้องเลยลงถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีทางหน่เราเชื่อนยอมกราบท่านปนโอ้โหเราทำไมจึงเป็นแบนี้เรขอกราบท่าน่านได้เห็นโทษเห็นานจนแม้แต่ิดา่อครูบาอาจารย์เพงนิดนึ่งนกับตามแสดงว่าเป็นความผิดของตัวเองก็แท้ยังกราบขอขมาโทดท่านอางราบเลยห้อง คือไปคิดเอาขันทั้งท่านไปใส่คิดทั้งท่านอะมีบันชาอะไรทาร่าแต่ตายแบบไหนก็ตายเลยเป็นตกต้นไม้ควชนอุบัติเหตุแบบไหนก็แบบเถื่มันก็เรื่องของขันแตกธรรมด า, าความบือสุดของใจก็คือความบริสุดอลาหันก็คืออลาหันไม่ที่ใจอยู่ตลอดเวลาอาการดุขว่วยแล้วจะไปได้ไปเสียอะไรกับเรื่องธาตุขันตายเลื่อนกันเบียร์กันต่างกันนั่นแหลยเชื่อ นม่มีทางเข้าใจมันเชื่อใจนี้เนี่ยมันถึงเหมาะดีําให้มันถึงความจริงแล้วมันเชื่ออะไรด้วยกันเท่านั้นเนี่ยไม่มีจะโทนตะทาน่มเป็มภูมิหมอนะไม่ตะโทนตะทา น, น, นสบายถึงเวลาที่จะพูดตะตาหนักเบามากน้อยกับผู้ดใดก็ตามก็พูดตะเกียะพอพูดไปแล้วมันก็หายพอมพอมพอมพอมตเกีย มันมีความอยากความยิ้วความโหยสหายอะไรอยากเทสนาวาการให้คนนั้นทามมํคาคนนี้ฟังออยากคิดประกาศศ า, าสนาเงี้ยมันบ้ามันเป็นปตามเหตุตามผลเป็นพระเองถ้าเพราะธรามัน ม, มีเรื่องความาอยากก็เถอะความอยากคือความบกพร่องนี่อันนั้นมีความบกพร่องที่ไหนเป็นความเสมอตัวตลอดเวเมื่อเตนมไปแียกด้วยเหตุด้วยผลที่ควรจะพูดหนักบามากน้อยเท่าไหร่มันเป็นพระเองมื่อจบอันนั้นแล้วหาเงียบไปเลยไม่มีอารมณ์กับสิ่นใดทั้งหมด เพราะนั้นจึงว่าไม่มีอนาคตน่รถ้าท่านไม่ยึดอะไรทั้งนั้นอดีตก็ไม่ยึดอนาคตรองยึดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ตึดอะไรทั้งหมดน่ะตอนนี้เองไม่หลงอะไรมีพิการมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรถ้าท่านมาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ิตับทน่ะเป็นหลักสําคัญนี้งานนี้เป็นงานสาคัญงานชิ้นเอกของพระเราขอให้สนใจงานผล้นสญาลืมงานนั้นอย่าลืมตัวไนอย่าลงานนั้นงานนั้นกับงานที่เจ้าคนชมเชย เขาจะเป็นเอกของงานนี้สาวกเป็นเอกของงานนี้มไม่ใช่งานอื่นใดให้เป็นเอกวิเศษผมเป็นห่วงมูเพื่อนเราอยู่หลายปีหลายเดือนจะไม่ได้อะไรติดติดใจไปเลยทุกอย่างพยายามแนะนาำสอนผมถือเป็นสำคัญกับพระถึงจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตาม จิตใจผมไม่เคยห่างเหินจากข้าจากเพื่อนสิงเดียมาอยู่ด้วยเราเห็นใจที่มาทั้งใกล้ทั้งไกลมาเพื่อเราเราจึ่ต้องคิดเพื่อท่านที่มาทั้งหลายให้สมดุลกันเหมาะสมกันพอเทศนว่าการรวมสังสอน น, นี้แง่ใดอันใดแล้วเราต้องสังสอนคิดถูประการใดเราพูดการเหตุตามผลแตนใดเพื่อให้เข้าใจเพราะผู้มามาด้วยความตั้งใจย่อมหลงโลงเรื่อยไปแล้วย่อ ง, ๆๆรองกระทบกระเทือนจิตใจซึ่งกันนากันนั้น นั่นมันเรื่องโลกแม้ เ, าเขามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติผู้มุ่งต่อต่อธรรมแล้วจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาอยู่ในใจเลยนอกจากเหตุผลใครพูดคือพูดถูกประการนั้นยึดอาจารย์หลักเหตุผลนี้แล้วเป็นพอไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่สาคัญ้งกัญที่เหตุผลคือหลักธรรมไม่ยึดตะกุงนั้นเมือต่างคนต่างมุ่งต่อธรรมแล้วความอยู่ด้วยกใจมันก็สบายเหมือนอวนวาวิาวะเยอกันาใครพูดไม่ได้ถ บ, บนี้หรืออะไรถือประโยชน์อะไร ควถูกต้องมีอยู่ลรามาหาความถูกต้องต้องยึดเอาความถูกต้องหรือใครพูดออกมาก็ตามกาแสดงปียการมาเลยมาตามเมื่อถูกต้องแล้วยึดเอาเลยตรงนั้นเป็นเป็นจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่ถูกต้องสำหรับทุนมุ่งมาหาอาภัตธรรมในมูมมาหาที่ขี่มานะเพื่อสั่งสมพิเรศกระทบกระเทือนที่มันจะการตั้งที้นั่นเห็นมั่นอย่าให้มีสำหรับล่าตาวันตับเพราะมันหยาบเหลือโกินหาบเกินกว่าที่จะทําละ มันเรื่องน้ยาให้ดูเั้ของนี่มันเกิดอิธิกรันหยุดพันใตเจ้ของให้แก้ตรงนี้อันนี้ละเรื่องใหญ่สำคัญให้แก้ตรงนี้จะไปนั่เกี่ยวข้องกับทกเกินกับผู้ใดที่มันเกี่ยวข้องกับคนกัพอแล้วให้แก้ตรงที่มันเกี่ยวข้องกับตนมันมีการกับทกเกษตรเวลาทันตนระหว่างที่เด็ดกับทำทำมาจากแพร่เสมอสติไม่ทันปัญญาไม่ทันดีบรีไม่คิดไม่อ่านไม่ที่จะงณาว่าตัวผิดวันหนึ่งวันโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วระหว่าง ผิดนั่นแหละคือที่เด็กได้ได่าแล้วสกิปัญญาไม่ทันเอาให้ทันดยมันคิดเรื่องอะไรบ้างเราตามจ่ออยูอดเวลามันจะไปไหนกูมันยอมจมุนนะมนอะยอมจมนันจนหน้อาคมญาอธิบายถูกต้องมันงเขาพูดเขาเล่งเสียง เ, เข้าไปมีมีมม <laughs> อะานแล้วเราต้องการ